ตามพระเถราธิบายของท่านพระสาิบุตรมาโดยลำดับจะได้แสดงต่อไปในข้อว่าพระอุปาทานเป็นปัจจัยเกิดภพภพนั้นก็คือความเป็นความมีอันได้แก่การมาภพรูปภปพอรูปภปพ เพราะมีความยึดถือซึ่งเป็นอุปาทานจึงมีพบความเป็นความมีพบอย่างละเอียดก็คืออัตตมิมาณะความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นยึดถือในสิ่งใดก็เกิดเป็นความมีความเป็นคือเป็นเรา มาถึงเป็นของเราขึ้นในสิ่งนั้นยึดอยู่ในกามก็เป็นเราขึ้นในกามก็เป็นกามประพบยึดในรูปก็เป็นเราขึ้นในรูปเป็นรูปประพบยึดในอารูปก็เป็นเราขึ้นในอารูปเป็นอารูปประพบเพราะฉะนั้นเมื่อมีอุปาทานคือความยึดถือ จึงมีพบและเมื่อมีพบจึงมีชาติคือความเกิดเพราะว่าเมื่อมีเราในคนดีในรูปคนดีในรูปคนดีก็มีชาติคือความเกิดขึ้นแห่งเราอันชาติคือความเกิดขึ้นนั้นเมื่อมีเป็นชาติขึ้นแล้ว ก็ต้องมีชรามีบรณะมีโศกะความโศกปริเทวะความรันจวนร่ำครวนใจเป็นต้นเป็นอันว่าทุกข์ทั้งหมดก็เกิดขึ้นตรงนี้ได้มีพระพุท ธ, ธาธิบายขยายชาติคือความเกิดตกไปตรงที่ต้อง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 ชรามรณะหรือไม่ท่านพระอ น, นุ์ก็กลับทูลว่าไม่มีในเมื่อมีความเกิดแห่งเทพเป็นต้นดังกล่าวจึงมีมรณะชรามรณะใช่หรือไม่พระอ น, นุ์ก็กลับทูลว่าใช่ดังนี้ตามที่อธิบายมาตั้งแต่อาสวะอวิชชาจนถึง ชรามารณนี้เป็นการแสดงอธิบายเพื่อให้เชื่อมต่อว่าเป็นปัจจัยของกันมาโดยลำดับอย่างไรในข้อสมาธิธินี้ท่านพระสาริบุตรจับแสดงไปทีละข้อ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 ให้ถึงความดับชามิมรณะคือมรรคไม่องอกแปดท่านแสดงให้รู้จักชาติคือความเกิดให้รู้จักเหตุเกิดแทนชาติคือภพให้รู้จักความดับชาติก็คือดับภพบให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับชาติก็คือมรรคไม่องอกแปด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 ให้รู้จักความดับปูปาทานก็คือดับตัณหาให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอูปาทานก็คือมัทมิองแปดท่านแสดงให้รู้จักตัณหาให้รู้จักเหตุเกิดแห่งตัณหาก็คือเวทนาให้รู้จักความดับตัณหา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 ท่านแสดงให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเวทนาก็คือมรรคมนองค์แปดท่านแสดงให้รู้จักผัสสะให้รู้จักความเกิดเหตุเกิดแห่งผัสสะก็คืออายตนะทั้งหกท่านแสดงให้รู้จักความดับผัสสะก็คือดับ อาจตนะทั้งหกท่านแสดงให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับผัสก็คือมัสมีองแปดท่านแสดงให้รู้จักอาจตนะทั้งหกให้รู้จักเหตุเกิดแห่งอาจตนะดั้งหกก็คือนามาลบทให้รู้จักความดับ แห่อาจตนะทั้งหก็คือดับนามารูปให้รู้จักทางให้ถึงความดับอาจต น, นาทั้งอาจตนะทั้งหก็คือมักมีองค์แปดการแสดงให้รู้จักนามารูปให้รู้จักเหตุเกิดนามารูปก็คือวิญญาณให้รู้จักความดับนามารูปก็คือดับวิญญาณ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 มักมีองแปดท่านแสดงให้รู้จักสังขารให้รู้จักเหตุเกิดสังขารก็คืออวิชชาให้รู้จักความดับสังขารก็คือดับอวิชชาให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับสังขารก็คือมักมีองแปดท่านแสดงให้รู้จักอวิชชา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 อันนับว่าเป็นต้นเงื่อนที่ได้ทรงคนพบได้ตรัสรู้และได้ทรงแสดงมาได้ทรงนำมาแสดงชี้แจงจำแนกและก็เป็นอดิยศัสตร์ไปทุกข้อ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 สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือเห็นในอริยสัจ ท, ทั้งสสัมมาสังกปะความดำริชอบก็คือดำริในอริยสัจ ท, ทั้งสี่นั่นแหละแต่ท่านแสดงเป็นความดำริออกดำริที่ไม่ปองร้ายดำริที่ไม่เบียดเบียน สัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบได้มีพระพุทธทาธิบาย ในอริยสัจสีในในมรรคมีองค์แปดนี้โดยตั้งข้อสมาธิิฐนําคือเมื่อมีเห็นเมื่อมีความเห็นชอบนํา <c oughs> ก็ย่อมมีความดำริชอบเมื่อมีความดาริชอบก็ย่อมมีวาจาชอบเมื่อมีวาจาชอบก็ย่อมมีการงานชอบ เมื่อมีการงานชอบก็ยังมีการเลี้ยงชีวิตชอบเมื่อมีการเลี้ยงชีวิตชอบก็ยังมีความเพียรชอบเมื่อมีความเพียรชอบก็ยังมีสติชอบเมื่อมองเนสติชอบก็ยังมีสมาธิชอบและได้มีพระพุธทธทธิบายต่อไปอีกว่า เมื่อมีสมาธิชอบก็ยังมีสัมมาญานนะคือความอย่างรู้ชอบเมื่อมีความอย่างรู้ชอบก็ยัอมีสัมมาวิมุตติคือพ้นชอบดังนี้มักมีองค์แปดนี้ย่อมเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติเพื่อดับ แข่งทุกข้อและเมื่อพิจารณาดูตามประเทราธิบายที่ท่านแจกข้อธรรมในปฏิจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นจับแต่ข้อชรามารณะไปจนถึงอวิชชาอาสวะหรืออาสวะอวิชชา ก็แยกเป็นอริยสัจสี่ไปทุกข้อดังที่กล่าวและก็กล่าวได้ว่าก็แบ่งออกเป็นสายเกิดและแบ่งออกเป็นสายดับหากจะพูดรูปรัดเข้ามาว่าเป็นสายเกิดแห่งอะไรก็กล่าวได้ว่า เป็นสายเกิดแห่งทุกข์เพราะว่าในสายเกิดนั่นก็มาสุดลงที่ชรามรณะแก่ตายและโศกะปริเทวะความโศกความรญจวนคค่ําครวนใจเป็นต้น รวมข้าก็คือทุกๆอย่างต้นทางของสายเกิดก็อาวิชชาอาสวะหรืออาสวะอวิชชาก็มาสุดลงที่กองทุกทั้งหมดมีชรามรณะโสกกะปริเทวะเป็นตน้นเพราะฉะนั้นจึงสรุปเข้าว่าเป็นสายเกิดทุก ส่วนสายดับนั้นกล่าวอย่างรวบรัดเข้ามาว่าดับอะไรก็กล่าวได้ว่าดับทุกเพราะว่าปลายทางก็คือดับทุกจะรามมณะโสกะปริเทวะเป็นตน้นดับไปหมดเนื่องจากดับมาจากต้นทางคืออวิชชาอาสวะ หรืออาสวะอวิชชาดับทุกอย่างก็ดับมาตลอดสายจนถึงดับกองทุกทั้งหมดมีชรมามรณะโสกะปริเทวะเป็นตน้นฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าบรรดาข้อธรรม ในปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นทุกข้อคืออาสาวะอวิชชาหรืออวิชชาอาสวะอาสาวะอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอาจตนะหกพัษส เวทนาตันหาอุปาทานพบชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทั้งต้นโสกะปริเทวะเป็นต้นทั้งหมดนี้เป็นทุกขสัจจะสภาพจริงคือทุกข์ทั้งหมดเพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ คือตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรนเปลี่ยนแปลงไปคือต้องเกิดดับคือเกิดได้ดับได้สิ่งที่เกิดดับได้นี้รวมเข้าในคำว่าทุกข์ทั้งหมดเพราะว่าตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ทุกข์ยังไม่ได้หมายความจะเพาะทุกขเวทนาเท่านั้นจึงได้มีแสดงถึงคำว่าทุกข์เอาไว้ ว่าทุกข์กับทุกขะทุกโดยความเป็นทุกข์สังทุกคือสังขารสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งหลายวิปริณามทุกทุกคือความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีลักษณะเป็นทุกโดยเป็นทุกดังที่เรียกกันว่าทุกทุก และสิ่งที่เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหมดและสิ่งที่ต้องแปลปรนเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดรวมเข้าในคำว่าทุกขนี้ทั้งนั้นแม้ตัวเวทนาเองสุขเวทนาก็เป็นทุก์เพราะว่าต้องแปลปรนเปลี่ยนแปลงต้องเกิดดับทุกขเวทนาก็เป็นทุก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 ในเวลาที่ต้องมีทุกขเวทนาต่างๆจากอาพาธป่วยไข้ <c oughs> การเห็นทุกข์ดังนี้ทุกๆคนเมื่อประสบทุกขเวทนาก็ต้องเห็นทางนั้นคือต้องเสวยทุกข์อยู่ด้วยกันทางนั้นแล้วก็ต้องเห็นทุกข์ดังนั้นทางนั้นแต่ว่าเมื่อจมอยู่ในกองทุกยังต้องตกอยู่ในทุกพราดจิดออกมาไม่ได้ เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เห็นเห็นกันนี่ผู้เห็นจึงไม่เชื่อว่าเห็นทุกเห็นทุกนั้นจะต้องเห็นว่าแม้ทุกขเวทนาที่กําลังประสบอยู่ก็เป็นทุกคือต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งต้องเกิดต้องดับแม้ในเวลาที่ประสบสุขเวทนาต่าง มีความสุขสบายต่างๆก็ลองเห็นว่าุขที่กำลังประสบอยู่นั้นเป็นตัวทุกข์คือเป็นสิ่งที่แปรปรุนเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ต้องเกิดดับแม้ในขณะที่กำลังประสบหรือสวยอุเบกขาเวทนาเวทนาที่ไม่ทุกข์ไม่สุขก็ต้องรู้จักว่านั่นเป็นเวทนาที่เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขซึ่งก็ต้องเป็นตัวทุกข์ คือเป็นสังขารสิ่งประสมปรุงแต่งต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงจะต้องเห็นดังนี้จึงจะชื่อว่าเห็นทุกเห็นทุกในเวทนาเห็นทุกในรูปเห็นทุกในเวทนาเห็นทุกในสัญญาเห็นทุกในสังขารเห็นทุกในวิญญาณทั้งหมดว่าเป็นสิ่งที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงต้องเกิดต้องดับชรามาณะ โสกบุร um, um, ิเทวะเป็นต้นก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าวทาตก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าวพบก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าวอุปาทานก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าวตัญหาก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าวเวทนาก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังผัสสะก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าวอาจตนาทั้งหกก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าวนามาลูก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 คือเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับหมดต้องแปรรปเปลี่ยนแปลงหมดเพราะฉะนั้นเห็นดังนี้จึงชื่อว่าเห็นทุกข์และเห็นว่าบรรดาข้อธรรมะเหล่านี้เป็นสมุทัยของกันในกันดังที่ได้แสดงมาแล้วอาสวะเป็นสมุทัยของอวิชชาอาวิชชาเป็นสมุทัยของอาสวะ อาสวะเป็นสมุทัยของอวิชชาอวิชชาเป็นสมุทัยของสังขารเป็นต้นลงมาจนถึงชาติเป็นสมุทัยของชรามรณะโสกะปริเทวะเป็นต้นเป็นสมุทัยของการในกันเป็นลูกโซ่มาโดยลําดับดังนี้เป็นข้อสมุทัยและเห็นความดับที่ต้องดับสืบต่อกันมาเป็นสาย จากอาวิชชาอาสวะอาสวะอวิชชาลงมาจนถึงดับชาติดับชรามารณะโศกะปริเทวเป็นต้นนั่นก็เป็นเห็นนิโรธคือความดับทุกข์และเห็นมรรคคือทางปฏิความดับทุกข์คือมรรคมีองค์แปดมาเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งมีสมาธิฏฐิคือความเห็นชอบ เป็นข้อสำคัญโดยที่มีมรรคทั้งหมดสนับสนุนคือจะต้องมีทั้งอีกเจ็ดข้อมารวมเป็นมรรคสมังคีความพร้อมเพรียงกันขององค์มรรคสมมาทิติคือความเห็นชอบยังจะมีกำลังแก่กล้ามองเห็นสัจจะคือความจริงในอริยสัจ ท, ทั้งสี่เหล่านี้ ที่จำแนกไปโดยลำดับตลอดสายและเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงจะได้สัมมาญาณะความอย่างรู้ชอบสัมมาวิมุตติความหลุดพ้นชอบในที่สุดท่านพระสาริบุตรได้แสดงธรรมะในปฏิจสมบูบาทนี้สืบจอด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 รู้จักกุศลลมูลคืออรลสะโมหะรู้จักอาหารทั้งสี่อันได้แก่รู้จักว่าอาหารคือขาข้าวซึ่งเป็นของหยาบเป็นอาหารของกายรู้จักว่าผัดสะเป็นอาหารของเวทนา รู้จักมโนสังเจตนาคือความจงใจว่าเป็นอาหารของกรรมและรู้จักวิญญาณว่าเป็นอาหารของนามรูปดังนี้แล้วท่านจึงแสดงอริยสัจ ท, ทั้งสี่คือให้รู้จักทุกรู้จักทุกขสมภูทัยเหตุเกิดทุกรู้จักทุกขในโวยความดับทุก รู้จักมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์แล้วจึงขยายออกมาเป็นข้อธรรมในปฏิจสมบัติโดยแยกเป็นอริสัตต์สี่ไปทุกๆข้อแต่ว่าข้อธรรมในปฏิจสมบัตินี้ท่านพระอานนท์ได้เคยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าปรากฏแก่ท่าน ว่าเหมือนเป็นของง่ายแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านพระอนนย ญ, ญากล่าวเช่นนั้นธรรมะในปฏิสมบัติเป็นธรรมะที่ลุ่มลึกซึ่งเห็นได้ยากรู้ได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงอริยสัจทั้งสี่จึงได้แสดงโดยปริยายที่เข้าใจกันง่าย ลงแสดงทุกขสัจจ์สภาพที่จริงคือทุกขก็ทรงชี้ให้รู้จักสภาวะทุกขคือชาติชรามรณะให้รู้จักบกินนักทุกขก็คือโสก บ, บริเทวะเป็นต้นซึ่งรูปเข้าก็เป็นประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักพ ล, พลาดจากสิ่งที่เป็นที่รักสรุปลงเป็นหนึ่งก็คือปรารถนาไม่ได้สมหวังและโดยย่อ ขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการเป็นตัวทุกขก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาตและทรงแสดงทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกทรงที้เอาตัญหาความดิ้นรนทยานอยากทรงแสดงทุกขอนิน้วยความดับทุกขก็คือดับตัญหาทรงแสดงมักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกก็คือมัทมีองค์แดดังกล่าว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 ทั้งโดยสมุทยาาัยวันวาระเกิด น, นิโรธวรันวาระดับต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป